นี่ต้องราดธนาก็อยากจะพูดอยู่แล้วอยากจะบอกจะจะสอนความเทศความจริงที่มีอยู่ในโลกที่มีอยู่ในตัวเราที่มีอยู่ในที่นี่ที่ไหนก็เหมือนกันมีนความเทศความจริง ถ้าเรามารู้เรื่องนีแล้วเราจะลุยๆได้ก็ให้มีศรัทธาศรัทธาใจ้ึงอัดแท้งให้เป็นเนื้อนาเอาไว้ <c oughs> เมื่อมีศรัทธาถ้ามีเนื้อนา ฝนตกลงมาก็จะเปียก ก, ยก็กจะชุ่มถ้าไม่มีเนื้อนาเป็นของเราฝนตกลงมาก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรศรัทธาจึงเป็นสำคัญอยู่ที่ไหนใหศรัทธาต่อหมูต่อคณะแม่เราอยู่ที่ไหนก็ปกติ ได้อยู่ในกลุ่มคนที่เราไม่ค่อยชอบก็ปกติทำงานกับคนที่ไม่ถูกกันก็ปกติได้จตหาก็เป็นชวนหนังที่ทำใม้สะดวกในการทำดีแล้วความชั่ว เหมือนช่างถากก็ย่อมถากช่างดัดลูกศรก็ดัดลูกศนแม่มันจะคตจะงูดัดแล้วเหมันคตรงูอีกก็ดัดอีกบันดิกก็ต้องฝึกตนมันหลงแล้วก็ดัดอีกให้มันรู้มันดัด แลวบัณฑิตต้องฝึกตนสอนตอนนิสัตธาไม่ทอาแท้ไม่ได้เลยเลยก็จะทำเรื่องนี้สอนตัวเองไม่เหมือนปกติดังวลานท่านว่าเลาลูกหนาเต็มกำได้ดอกนึง เบ็ดชื่อแล้วว่างไวกับเรางโง่แน่ใช้กลนไปถูกกับโมงตามาแน่มาหน้าตกอยู่ทั้งป่ายใหม่ก็เชื่อได้กับมาเมื่อเป่าปักใส่หมอสัญญาณเต้นแล้หนีมันตรงกันข้ามมีแน่นอนแล้วจะ สร้างความรู้มันก็มีความหลงเกิดขึ้น่าจะไม่อยู่ให้ผิดปกติร้องมีปกติเกิดผิดปกติเปิดเกิดขึ้นแล้วก็พยายามทำอมิัทธาโดยเพราะใหนะคำสอนของ พระพุทธเจ้าไม่มีตรงไหนที่ขาดตกค้องใช้ได้ทุกกรณีอย่าเพื่อนายโตคำสั่งสอนที่เกียรติทตามเอาเอื่นเอาอ่นเดินไม่เบียบเทียบเพื่อเพื่อนในการมกุลจะเยอทยานใน รถรูจินเฉียงมันก็เหงืออแห้งได้เหมือนเนื้อนาที่เหงือแท้งด้วยน้ำต้องมีความเพียรประกอบความเพียรทิ่ิีชีวิตของตัวเองการกระทำเป็นจักรเป็นจริงศักดิ์สิทธิ์อย่าไปเชื่ออะไรให้เชื่อการกระทำของเรานนะา <c oughs> แล้วก็มีการมีใจมีรูปมีนามเอาการเอาใจเอารูปและ น, นามมาแล้วควชั่วมาทำความดีได้ได้ใต้ทุกกรณีจึงไหนไม่ดีทำให้มันดีแค่เราก่อนมองตนก่อนอย่ามองคนอื่นเราก็พยายามที่จะมองตนทุกคน ไม่ทำให้สิ่งอื่นปกติผิดปกติเราอยู่ด้วยกันก็อย่าไปทำให้เกิดผิดปกติได้แต่คนอื่นส่งเสริมให้เขาทำความดียกมือสาธุอนุโมทนาด้วย คนผ่าพืนก็ผ่าฟืนคนตำข้าวก็ตำข้าวคนปูอาหารก็ปูงอาหารเตือนขึ้นมาได้ยินเสียงข้องออกใจพูดที่ฐีค้องให้เราได้รู้เวลานอนหลับยังไม่ลุกก็ดียินเสียงคล้องก็ลุกขึ้นมาได้ขอบอคุณทุกคน อ, อยู่ร่วมกันหลายอย่างที่เราต้องได้ไปได้ประโยชน์จากเพื่อนเก็บเา้าเหมือนพระสงฆ์สมัยก่อนพระทีทธเจ้าเปรียบเทียบเวลาสแสวงหาภาพบางสุคุลเอาเท้าเคี่ยดูพอไปเห็นผ้าเกลียยขนเอาเท้าเคี่ยดู ตรงไหนที่ไม่ขาดตรงไหนที่ไม่เปืดอเือนมากเปื้อนเลือดเปื้อนหนองผ้าพันศพผ้าหอ่อศพเอาเท่าเขี่ยดูเขี่ยดูตรงไหนพอจะทำเป็นอนุวาดทว่าทองจีวรได้ก็ตัดเอาได้ประโยชน์จากผ้าที่เป็นพู้เห็น มีอยู่ทุกทุกอย่างในคนชั่วเขาก็มีคนดีต่ยังเป็นคนดีวันนี้ไม่ได้บันหน้าคงเป็นคนดีปีหน้าคงเป็นคนดีเดือนหน้าคงเป็นคนดีหรือชาติหน้าคงเป็นคนดีได้มองประโยชน์จะได้สบายใจไปเจอน้า น, น้อยๆถ้าอจะเอาภาชนะตัก ก็หิวน้ำก็มันตตกไปได้เหมือนคนเอาชายจีวรปกลงไปในน้ำก็ก้มลงดูดเอาน้ำนั้นได้ประโยชน์โนทําความดีเอาความดีทําความถูกพยายามเอาความถูกทุกกรณีอย่าทิ่งสวยโอกาสเล็กน้อยน้ำในหย ด, หยดในถุมเพียงเล็กน้อยก็ยังเต็ม งงประโยชน์กับความดีอย่าปฏิเสธความไม่ดีง้อความดีแต่ความไม่ดีงความถูกกับความผิดมีความทุกข์กับความไม่ทุกข์ความทุกข์มีความไม่ทุกข์ ชีวิตเล่านี้ก็มีอยู่อย่างนี้เพราะรูปนามมันบอกนี่คือรูปนี่คือนามนี่คือรูปทุกนี่คือนามทุกอย่าให้ทุกเป็นทุกให้ทุกเป็นความไม่ทุกเห็นดเห็นของจริงอระเปิดเห็นความทุกข์เห็นความดือดรุ่ เห็นของกิงอันรเริฐมันเห็นมันจึงผ่านพ้นได้มันเราเห็นงูมันพ้นอ่ากงูถ้ามีทุกข์ทุกข์เองคนอื่นทำไปทุกข์รูปลดฉินเสียงทำให้ทุกข์เสียงเวดล่อมทำให้ทุกข์นั่นแหละ งงนี่ดีอไงอะไรไม่มันไม่เป็นไม่เป็นอย่างที่เป็นเสมอไปเพช่นกลางคืนอย่าหลงกลางวันอย่าหลงบางทีเราหลงกลางคืนเราหลงกลางวันนั้นก็เหมือนกันทั้งสองการกลางคืนก็คือ กลางคืนกลางวันก็คือกลางวันเรารู้จะทำอะไรไม่กลางคืนกลางวันหลอกเราได้วิสัยของมนุษย์มองทะลุทะลวงตอนที่พวกเปรตพวกสุลกาชอบกลางคืน กลางคืนเป็นเห็นกลางเวรเป็นนกเข้าใช่ไม่ได้มันชอบใช้กลางคืนหาลักหาขโมยทาไม่ดีไม่งามเราจะหลงในตัวเราเสียงนอกตัวเรา มันตัวเราก็มีสิ่งที่ทำให้หลงนอกตัวก็ทำให้หลงมีวัตถุมีอาการดูดีๆวัตถุในตัวเราคือกายเวทนาเหตุธรอาการที่มันเกิดกับกายําให้หลง อาการที่เกิดกับใจทำให้หลงอย่าหลงให้ได้ีฉลาดนั้นหลงรู้แล้วมันจะได้เฉลาดจะความหลงสัมผัส ด, ดูความรู้าพร้อมกันนั้นมีวัตถุบียาการ ไปนอกก็มีโลกมีรสมีกลิล่นมีเสียงนีสัมผัสมีอารมณ์ายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจใ้จ เ, เกิดประโยชน์ตาเห็นรูปเหมือนจิ้ง ก้อนขวดเศษฝาผนังถ้าเราไม่หลงนะ่ะตาเห็นลูกถ้าเราหลงเหมือนทิ้งดินเหนียวเสษฝาผนังดินเหนียวมันก็ติดตรงติดมันก็เปื้อนมีรอย หลงเห็นลักก็หลงในรอยความลักในความลักติดโกรธก็มีรอยโกรธอยู่นะชีวิตก็มีรอยโกรธติดเอาไว้ทุกข์ก็มีรอยความทุกข์ติดไว้เปื้อนหรือว่ากิเลสทให้เปื้อนทําให้เศร้าหมองก็เหมือนก้อนหินท่อนขวดทิ้งใส่ฝาผานัง ฝาบ้านฝาตึกฝาเลือนฝวาอะไรก็ตามว่ามันสผัดแล้ววนตกลงมามันก็ไม่มีรอยมันก็สะอาดตาเห็นรูปสักแต่ว่าหูที่เห็นเสียงสักแต่ว่านี่มันเกิดขึ้นอะไรเนาะในตัวเราก็มีคงตอบวันเดียว ไม่เป็นอะไรเห็นไม่เป็นไม่ใช่พอใจไม่พอใจนั้วมันเพื่อนแล้วมันแทนที่จะเป็นเฉยๆมีรสชาติจุกก็มีรสทุกข์ก็ไงรสอร่ อ, อยรสรสของโลกทําใง้สดว์โลกติดติดรดแม่ความโกรธก็ยังติด มักจะไม่ลืม <c oughs> จิงใดที่ทำให้โกรธมักจะไม่ลืมจิงใดทําให้ทุกข์ไม่ก็ไม่ลืมเพราะมันชุกซนเหมือนเลิงซุกชนเลิยงติดตังเลีงเจ้าซุกซนพระพุทธเจ้าเคยเปเรียบเทียบให้พระสงฆ์ฟัง เลียงติดตังเคยได้ยินไหมพวกเรามีเรียงตัวหนึ่งทุกสนชอบเตยี่ยานไปเต้นไม้เดียวเดียวสูงสูงไม่มีจิงกา้านกระโดโดโน้ตเต้นแปกระโดดข้ามหัวข้ามเหวไม่ค่อยไปตมหมวยตำตำมีจิงสาขาโดดไปง่ายๆก็ไม่ชอบ ก็เรียงเจ้าทุกขสนเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีเลียงตัวหนังในหมูกรนะดาด้ยเจ้าเปรียบเทียบ ม, มาก็องควังไม่สม ร, รวมไม่ระวังชอบดีใจเสียใจถ้าเป็นชีวิตของเรานะชอบพอใจชอบไม่พอใจมันเลียงสุกขสนแล้วก็ไปเจอ นายพ่านดักตังเอาไว้ส <c> ำ <oughs> หรับดักสัต์มันติดดิงมันก็รั่วนี่มันคือตัง่ <c oughs> อยากจลองดูมันจะเหนียวขนาดไหนโดยเอามือไปจับเอาไปมือไปจับก็ติดมือข้างขวาจเจ้ามือข้างซ้ายไปแกะออกติดมือข้างซ้ายทักสองมือ ก็เหลือขาเอาขาขัวไปเจะออกมันก็ติดขาขัวเอาขาใช้ไปแจะออกมันก็ติดขาใช้ติดหมดตั้งสี่ขาเออเหลือปากฉันปากไปกัดดอกก็ติดปากอีกก็นอนอยู่คนคู่ที่นั่นไปไหนไม่ได้เรียกว่าลิ้นติดตัง ในทานมาเห็นก็ตีตายเอาไปแล้วเอาไปล่ากินเป็นอาหารชีวิตของพระสงฆ์งวังรูปแม่คีวางรูปเหมืนลีติดตังเชอบโยมเหมือนกันวาโศกเหมือนกันวาสชิกาเหมือนกันเชอบเอาผิดเอาถูก เอาสุขเอาทุกข์เอาลักเอาเกียิเอาพอใจเอาไม่พอใจมันก็จะติดอสุขสนมีสติพวกดีงบางอยู่ในกลุ่มมีสติไม่โดดไปไปสู่ในที่อันตราย สมหลวงพ่อไปทางไหนดูทิศดูทางมีทางอยู่ทางของชีวิตมันมีอยู่นี่ว่าอาริยมรรคอริยมรรคคือดูนั่นแหละมีสติดูกายดูเวทนาให้เห็นเห็นแล้วอยากเป็นนีว่าไม่สุขสนต้าเห็นสุขเป็นสุขเห็นทุกข์เป็นทุกข์ยังสุขสนอยู่ มันจะติดเอาปเปื่อนเอาเอาจึงหัดตนสนตนมีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นเลียงเจ้าสุกสนนอก่านไม่สุกสนพระเจ้าจึงบอกข้าสองอย่าเอาอย่างชีวิตของเราเมื่อผิดสุกมันก็ได้โอกาสติดทุกข์มันก็ได้โอกาส พอใจไม่พอใจมันก็ได้โอกาสเมื่อมันได้โอกาสมันก็ดึงไปมันก็ดึงไปทำให้เป็นนิสัยทำให้เป็นจริตหราขาจริตมีสำหรับคนบางคน มองอะไรปรุป่มแต่งในหลาคารสชาติของหลาคาโ ล, ลดรถกินเฉียงเนือามาลเอาไปอร่อยใช้ชีวิตอยู่ในโลกแบบนี้ราคาจะหลดโทสะจิตทำจึงในผู้จึงใดคิดจึงใดโอโทสะ ออกหน้าโงหะออกหน้าไม่มีสตินาขาจเ็ตโมหะตจลรตโทสะจลิตติดจริงๆอ่ะถ้าเรามาหันตนสุขสนเราจะมหัดตโทนสอนตนกลับเข้ามาใ่ทางกลับมาสู่ทาง นั่นมีทางอยู่สร้างได้อยู่กามวิชากรรมฐานกลับเข้า ม, มามีสติดูกายมีสติดูใจในกายในใจมันมีเวทนาอย่าไปหลงกับเวทนาอย่าไปหลงกับธรรมด้วเหมอนครอบามทั้งสองอย่าง ดังความสงบก็อย่าหลงเปิดความผู้สั้นก็อย่าหลงติดสงบก็ไม่ได้ติดรู้ก็ไม่ได้ติดสงบจะเป็นสมถะติดรู้จะเป็นกินตะยานหรือเป็นวิปญนูเอาความรู้เกิดจากกินตะยานอะไรก็รู้หมดเป็นผู้รู้ ไม่เห็นมันรู้มันจืดได้เป็นความเสื่อมได้เป็นอุปธรรมโมกุปธรรมโมอคุปธรรมโมโกปธรรมโมธรรมที่เสื่อมเรียกว่ากิจยานุปักิเลสนิพปัสนุปนัชกิเลสเป็นธรรมที่เสื่อมได้ อากุปธรรมเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมไม่เสื่อมมันมีสองธรรมอันหนึ่งเสื่อมอันหนึ่งไม่เสื่อมหัดจนมันไม่เสือ่อมอุปธรรมโมอากุปธรรมโมบริหารธรรมโม อริหารธรรมโมยักุสลธรมมธลธรมะอกุสลธรรมะอันหนึ่งเป็นธรรมอันหนึ่งไม่เป็นธรรมอันหนึ่งอพยกระตาธรรมยังจะเป็นทั้งสองอย่างจะเป็นอกุปปธรรมจะเป็นอกุสลธรรมก็ได้อย่าไว้ใจนั้นเวลาใดเรา มันก็พักผ่อนมันไม่เป็ียนอะไรก็อย่าไปพอใจอยู่กับแพนนั่นต้องหนัดทนมันเป็นอุปยากระตาธรรมเหมือนบุญเหมือนบาปอุญญาพิสังขารความดีใจความสุข ก, ก็ยังเป็นสังขารอยู่เรื่องบุญอปุญญาพิสังขาร เพิมเป็นบาปก็เป็นได้อยู่หลงก็หลงอยู่เนนชาพิสังขารมันจะเป็นทั้งบุญทั้งบาปได้อยู่่าปมาตเป็นสังขารอยู่ให้มันพ้นสังขารนี่ไปสังขารคือปุง วิสังขารคือไม่ปรุงมีอยู่ในเราหนี่สังขารคือวันหลงวิสังขารคือลูกเขาก็ทำได้หลงเรีกว่าสังขารเวียนหลงเป็นลูกเรกว่าเป็นวิสังขารนิพพานเป็นวิสังขารสุขทุก แ บ, บบระ้ชนเป็นสองขาน <c oughs> จึงเปลี่ยนตั้งแต่ก้าวแรกเนี่ยไมีหลงอยู่ก็นั่นแหละเป็นจะต้องเดินแล้วไม่หลงลูกขึ้นมาน <c oughs> เหมือนพ้นไปแล้วไม่เดินตรงนี้ไม่กรรมตรงนี้มีการกระทำตรงนี้อย่าไปเหยีดเผลนักเนมาประกอบ เอาการกระทำเป็นการตัดสินศักดิ์สิทธิ์มันไม่ได้อะไรเวลามันหลงมันรู้ไม่ได้อะไรระหว่างความหลงระหว่างความรู้แต่มันเป็นคนร์อย่างหลงมันอาจจะได้อะไรเยอะแยะหลงในรู้ก็ติดรู้พอใจอให้ความสุข มันความสุขที่เกิดจากสังขารไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเป็นความทุกข์ก็ได้เพราะมีสุขก็มีทุกข์คู่กันอยู่ถ้ารู้เห็นมันหลงมีสติขึ้นมามันเหนือสุขเหนือทุกข์มันไม่มีสังขารนรก็เลย มีผลแบบเหมือนคนรักษาขี้กากให้หายคนหนึ่งที่เป็นสุขเป็นทุกข์เหมือนคนมีขี้กากมันคันขึ้นมาก็เกามืนก็มีความสุขแล้วเกาขี้กากแล้วคนที่รักษาขี้กากหายมันก็ไม่ต้องคันมันก็ไม่ต้องเกา เรียกว่าอะไรจะเรียกว่าสุกจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นอย่างนั้นนิสังขานเป็นอย่างนั้นแล้วกอนมีช้กากก็เกาขี้กะตาเห็นลกูกติดลกูกหาลกูกเชื่อเอาก็มีอุ่นเราก็มีแย้งเอาก็มีเสียงเชื่อเอาก็มี ลถก็ชื่อเอาก็มีติดอะไรก็เป็นภาระเรื่องนั้นแต่ถ้าคนไม่ติดลดในสุขในทุกมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นอิสระก้าวไปอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรม <c oughs> ทำได้ทุกคน ส้มหลงผมไม่หลงไม่อยู่ในใครมันอยู่ไม่อยู่ในเพศวัยอะไรไม่อยู่ในชาติวันใดศาติาตนามใดอยู่กับพีชของรูปของนามนี่ปัญหาเกิดอยู่ที่รูปที่น้ํานี้ปัญญาเกิดอยู่ที่รูปที่น้ํานี้ รวมรูปอันที่รูปที่นามนี่หรือว่าปัญญาเกิดจากกองสังขารอายสังขารกิตตสังขารกายคือรูปกิตตสังขารคือนามรูปอะไรได้ไม่เหมือนก้อนดินก้อนหินถ้าไม่หาตรงนี้มันจะไปแบบอื่นอันรูปอันนามเนี่อนั้นเป็น ปัญหาก็ได้เป็นปัญญาก็ได้ได้ไม่รู้มันจะไปเป็นภพภูมิต่างๆเป็นเปตเป็นจุลกายเป็นฉันโลกเป็นเดรัจฉานได้ในรูปในนามนี่ได้เราไม่รู้ยังไม่พัฒนาอาใัยไม่ได้นี่การเกิดเจ็บเจ็บตาย เปนมีความทุกข์เป็นเมื่อหน้าแล้ว <c oughs> ถูกความทุกข์จางเอาแล้วมันก็เป็นการบ้านของพวกเราอันนี้ก็หมดไปอีกหมดไปไม่ใช่หมดไปวันเวลามันเอาชีวิตเราไปด้วยเราดึงใช่ชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ ประโยชน์จงคือนี่แหละตั้งต้นตรงนี้มีสติ็นงานชิ้นแรกในการเป็นมนุษย์ที่จะต้องพัฒนาเอาไปเอาใจเอาไปสังขารจิตตสังขารมาพัฒนาให้เป็นวิสังขารสังขารคือหลงวิสังขารคือไม่หลง พัฒนาตรงนี้มันจะไปไกลไปมกักเป็นผลเหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายถ้าไม่พัฒนามันเป็นของทุกข์เป็นเบื้องหน้าเป็นความทุกข์อย่างเราเจ็บปวดทุกข์เรื่องเก่าทุกข์เดิทุกข์อีกไม่ตัดวัดตะ อันเรื่องเก่าหลายรอบเรียกวัตตะปนเหมือนปฏิจจสมุปบาทที่เป็นภาพที่อยรานทมนั่นวัตตะอันที่กลางๆไปดูเอามีหมูมีงูมีไก่หมูข้าบหางงูงูข้าบหางไก่ไก่ข้าบหางงู เววัตตะสามกิเลสกรรมวิบากกรรมกิเลสวิบากกรรมมีการการะทำมันเป็นไม่ดีเหมือนกับหมูเมื่อมีกรรมไปทำแล้วก็ทำไม่ดีหลง เป็นไปนข้ามเหมงูหลงเหมือนกิเลสหลงมันมีลอยลอยลากลอยเสียใจรอยไม่พอใจอะไรต่างๆได้ปล่อยตรงนี้หลงเป็นหลงไม่เป็นเรื่าสังขารเป็นสังขารไม่เป็นวิสังขารมันก็ต่อไปเป็นกิเลสเหมือนงู งูก็ไปข้าหางไก่ไก่เป็นวิบากวิบากคือมันติดแล้วทุกข์ก็ติดแล้วโกรธก็ติดแล้วโกรธเรื่อยไปเป็นวิบากสันกรรมวิบากก็คือการกระทาอีกคือหมูนั่อเป็นการกระทาอีกก็เป็นจิเลตอีกว่าเกิดวิบากอีกไม่การทำอีก หลงกี่ครั้งกี่หนเกิดมาถึงวันนี้โกรธกี่ครั้งกี่หนทุกข์กี่ครั้งกี่หอนพอใจไม่พอใจกี่ครั้งกี่หนไ <c oughs> ด้ไดโกรธก็ไม่รู้จักลืมได้ได้ทุกข์ก็ไม่รู้จักลืมจําได้ดีมันเป็นวิบากถ้ามันติดไม่ไม่รู้จักสอนตัวเอง จึงเป็นกิเลสกรรมวิบากกรรมาอยู่ตรงไหนนื่นเป็นอย่างนี้มีงูมีหมูมีงูมีมีมีมีอะไรมีหมูมีงูมีหมูมีงูมีไก่นั่นนกรรมกิเลสวิบากตัดกรรมตัดกังอ่ะห้ามไม่ให้วันโกรธ ถ้าไม้มันอยากมันไม่ได้ต้องตัดกรรมกรรมมันสักสิทธิ์กรรมคือหมูไม่ไม่ทาเรื่องนั้นไม่คิดเรื่องนั้นมันหลงไม่หลงตัดกรรมแล้วสังขารเป็นวิสังขารตัดแล้วตัดแล้วเหมือนขอบก่ดดุง้ง เขาก็ดงหมองกลมลราทิ้งไปมันกลี้ยงไปสิ่งที่กลมกลมหมงกลมทางไหนก็กลี้ยงไปมันลอง่ะเอาไปฉา้วางไว้ตงวางไว้แล้วไปไปตบมันไปลไปไและเอามือคําหาคําหาก็ไม่เจอ กลางคืนก็เมบคําหาก็ไม่เจอว่าไม่เห็นมันกิ้งแบงมันกลมนะเนี่ยกลมท่านี้กับกิ้งไปท่านี้กลมท่านี้กับกิ้งไปท่านนี้หลงไปไกลนะยอมละความพอใจไม่พอใจความอะไรตา่างโกอดโลภหลงกิเลสตัณหาละครับตัดหลงเป็นลูปขอบกับด้ง อัดออกเฮาไปทิ้งไปกับวางเป๊ะักแต่ว่าเสร็จแล้วตาเห็นโูกจักแต่ว่าแม๊ทิ้งก่อนกัวใส่ฟ้าว่าหนังใส่เสาเปตกลงสักแต่ว่าไม่มีรอยเพราะตัดกมตัดเบนมีอะไรมาใครเป็นกำรรเป็นเวนอะไรมา มันอยู่ที่ตัวเหล่านี้อย่าไปคล้องไปติดบางทีให้คนอื่นชักเราไปตนนั้นจะตายตนนั่นเป็นเคราไม่ดีจะตายตัมนั่นจะตายเป็นเรื่องของเขาเหลวไหลเราเชื่อต่าเชื่อพระพุทธเจ้า กมุนาวัตตีโลกโกสัตโลกย่อมไปไปตามกรรมนี่กรรมฐานมันชัดเจนมันหลงรู้ขยันเดี๋ยวเกินตรงนี้เวลามันทุกรูก้ขยันแล้วเกิดมันถูกที่สุดความหลงไม่ถูกควมโกรธไม่ถูกความรู้นี่ถูกที่สุดมันตัดไปแล้วตัดไปแล้วใครจะมีกรรมไหลก็ตาม สัทธาตรงนี้เลยว่ากรรมเป็นของจำแนกสัตว์ดำมุหนาวตีโลโกโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทำบาปเองเศ้าหมองเองไม่ทำบาปเองย่อมหมดจดเองใครจะมาทำลายให้เราว่านั่นจะเป็นอย่างนี้นี่เป็นนี่นี่นนไมเป็นเรื่องของเขา <c oughs> เราลูกปรมาติศสภาวัธรรม คเครืสหม้อหม้อจดเป็นของเฉพาะเราคนอื่นจังคนอื่นให้เส้าหม้อหมอจดเป็นไปไม่ได้เหมือนวัวลากเกวียน้อยเกวียนก็หมนตามลอยวัวอ้าวัวยังไม่ออกจากเกวียนไปไหนก็ร้อยเกียนก็ไปด้วย เงาตามตัวว่าหลงก็หลงเรื่อยไปน้ากำเหมือนเง า, งาตามตัวถ้าตอนเช้าเงามาอยู่ทางถ้าหันหน้าไปทางที่เรานอกตอนเช้าเงามาอยู่ข้างหลังถ้าตอนเที่ยงเงาก็ลงมาดีตรงนถ้าตอนบ่ายเงาก็ไปข้างหน้านั่นเง า, งงาตามตัวหรือว่ากำ ปัจจ ա ให้มีกัมดีซะใมันหมดไปซะเริ่มจากหลงจากลู Entonces, them, ่นี่เจอทันทีเจอกันทุกคนก็อเก้าแรกก็เจอเรื่องนี้แล้วนีพระหมาคุยด้วยมาวันมันง่วงเหาาคอเล้ยังไงก็ได้งวงมาที่สุดถูกแล้ว ถูกแล้วที่ว่าทำกรรมอันถนง่วงถูกแล้ ว, ลวไปทางเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าก็ไปทางนี้แหละไปเจอควา ม, มง่วงไปเจอความคิดห้งซานไปเจอกามหลาคะมีเหมือนกันถ้าไปทางนี้เห็นตรงนี้แน่นอน พยายามหาวิธีถ้ามันมง่วงก็อย่าอย่าเป็นนั่งถ่าเดียวให้เปลี่ยนรีบทต้าสร้างจังหวะไปมันนานมันเก่ามันเก่ามันจะไม่ค่อยชัดเกณฑ์มันจะพลาพผ้าเคลื่อนมือก็ไม่รู้ทำมันเก่าไปนั่นตั้งต้นมา ตอนต้ตหนหม่อ <c oughs> เอาใหมา่ตอนนีก็เพ่งกันมาข้างในแน่นหน้าอกตอนนีก็มีอาการอะไเกิดขึ้นอย่าออาากอยากเข้ามาข้างในเกินไปอย่าออกไปข้างนอกเกินไปใช่บ้างบางโอกาสถ้มามันง่วงก็มองไปข้างนอกสักหน่อยแล้วก็ค่อยกลับมาอยากไปนนั่งอีกท่เดียว เอามือรูปตัวรูปหน้ารูปตายืดตัวขึ้นวางคอวางเอววางหน้าอกวางใบหน้ามองให้เป็นเป็นกลางวันถ้ามันไม่ห่างไหลก็ไปล่างหน้า <c oughs> เนืองเดินจกกรมอย่าไปนั่งยับชงบอยู่นี่ไม่ไม่ได้ ตาดัพริกทันทีนี่ม่เคยก็เป็นอย่างนี้แหละเห็นกันทุกคนประสบกับเรื่องนี้กันแล้วสนุกดีทำไงจะไม่เห็นนั่งก็นั่งไม่ได้มันง่วงทำไมก็มาขวัตกอยู่ในดีเฟชั่น ไปด่วนใหม่ๆนตกเพิ่มเพ่มาตอดวันนั่งไม่ได้กลางล้มเดินจงกมกลางล่มเดินจงกมเวลากลางล่มเดินย้อมก็ตามหลังเดินแช่ก็ไม่ได้เขียนเนีย่ยไว้เนี่าได่ไมันจับได้ อยู่หน้าฝนนะมจับได้ก็ต้องบางทีก็ต้องแขงแขนบ้างเมื่อนั้นก็แขงแขนกลางล้มไปยอดเยี่ยมเลยง่วงนอนคงจะมีใครเปียบเทียบได้ยากมีไหมแกล้งกันหมดเลยเหมือนกันหมดอ่าเหมือนกันนะอย่าไปอย่าไปถึงว่าเราคนเดียวนะ ทั้งหมดเลยพระภูเขาลูกแรกขวางกัน้นไว้ให้ถึงจุดหมายปลายทางเจอตรงนี้พระเจ้าเจอตรงนี้เหมือนกันหมดแม่พูดให้ฟังเป็นทางที่เราต้องไปเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดหลงก็เหมือนกันลูกก็เหมือนกันหมดจึงเป็นสากลต้องควรเจรจากับพระว่องกัน